ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานได้นําเสนอเรื่องพระพุทธเจ้าตอนบําเพ็ญตุกขารกิจยาตอนนั้นก็ว่ากัณดามความจริงก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกเขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เวลารับสั่งเล่าเองก็รับสั่งเล่าในลักษณะนั้นเหล่านั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้สัตยรู้แล้วก็จะเล่าเรื่องต่างๆแล้วแต่ว่ามีพระประสงค์จะเล่าเรื่องอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ช่วงนี้มันเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ปัญญวิชีนั้นก็ไปตั้งความหวังไว้อย่างหนึ่งแต่ตรงนี้จริงๆยังอยู่ช่วงความคิดนะฮะยังไม่ได้ไปลงมือประพฤติปฏิบัติ กบันกรพูดตึงอุปมาข้อแรกที่ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึง่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามทั้งมีจิตใจผ พ, พันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ใช้ความเพียรพยายามให้แสบเผ็ดสาหัสยังไงก็ตามจะไม่สามารถบรรลุกุณพิเศษได้เปรียบเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ต้วยยางและวางไว้ในน้ำ บุคคลผู้ต้องการไฟนำเอาไม้นั้นมาสีก็ไม่อาจที่จะให้เกิดไฟขึ้นมาได้อุปมาข้อที่สองก็เป็นการมองจากท่อนไม้อีกเช่นเคยเพียงแต่ว่าสถานภาพของท่อนไม้นั้นเปลี่ยนไปเป็นไม้สดชุบอยู่ด้วยยางคือเปียกยางเดียวเปียกจางแต่วางไว้บนบกคือไม่ถึงกับเปียกน้ำ ก็รับสั่งว่าสํานักพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีกายออกจากกามแล้วแต่ว่าจิตใจ ย, ยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสํานักพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามให้แสบเผ็ดสหาหัสยังไงก็ตามจะไม่สามารถบรรลุคุณอพิเศษได้เหมือนไม้สดติชุ่มอยู่ได้อย่างแม้วางไว้บนบก แต่เมื่อบุคคลนำมาสีเพื่อต้องการให้เกิดไฟเนี่ยมันก็สีไม่ได้เพราะยังมีความชื้นอยู่ยลักษณะเหล่านี้เหมือนกับพระภิกษุสามเณรหรือแม้แต่ชาวบ้านที่สมาทานศีลยกตัวอย่างเช่นว่าศีลแปดศีลบทสดเนนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุการมอะไรแต่ใจยังหมกบุ้นคุค้นคิดถอยหาอะไร เรียกว่ากระสันอยากไหมอารมณ์หลดนั้นสำนวนธรรมะท่านเรียกว่าเมถุนสังโยกคือยังมีความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวเกาะอยู่กับเรื่องทางเพศหรือแม้จะไม่เรื่องทางเพศหรอกเพราะว่าในคำว่ากรรมฉันที่เป็นปฏิปักต่อสมาชิระดับของกรรมฐานเนี่ยก็ที่จริงใจมันไปเหนียวนึกจึกนึกถึงอะไรก็ตาม เป็นการสึกนึกเหนียวนึกเร่อมหน้าของความอยากในสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นมุนชินใจเป็นสนิมใจที่ไม่ จ, จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาได้เพราะว่าความสงบนั้นมาต้องสงบจากกิเลสทีนี้กิเลสยังมีอยู่ยังปรากฏอยู่ยังมีความกระสันอยากในรงมเหล่านั้นอยู่ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ ทีนี้ถ้าเรามองภาพเราเนี่ยเราจะเห็นว่าพระภิกษุสามนเณนรมักจะมีปัญหาในด้านความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือเกี่ยวกับความประพฤติเพราะว่าชาวบ้านค่อนข้างจะปักใจฝังใจเกี่ยวกับพระภิกษุสามนเณนรแล้วก็มีความคาดหวังไว้สูงกทํานองใกล้ๆก็เปิดปุ๊บติดปั๊บเลย เพราะท่านจะต้องไม่มีอาการกริยาที่แสดงความมีกิเลสพอใครแสดงออกมาเราก็รู้สึกว่าพระมันเป็นอย่า ง, างนั้นทั้งหมดซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระภิกษุสามเณรไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดทั้งหมดหรอกมันเป็นเรื่องของคณะบุคคลที่เข้ามาบวชแล้วภารกิจของท่า น, นมีความชัดเจน ท่านนิยามคําว่าพระสงฆ์ไว้โดยภาษาพระสงฆ์ทั่วไปนี่นะฮะนิยามไว้ว่าถ้าเราเรียงเป็นสามประโยคแล้วจะชัดมากหนึ่งพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสองพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมวินั ย, ยเป็นคําสั่งและคําสอนของพระพุทธเจ้า สามพระสงค์คือหมู่ชนที่สอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะท่านก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ท่านมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ในเชิงที่เป็นปริยัติแล้วท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติาการปฏิบัติเองก็ไม่ใช่พลาดได้นะฮะแต่นั้นท่านสาธุชนลองสังเกตว่าเวลาพระเทศเนี่ย มันจะอารามพระบทคือบอกก่อนเจนโบัตินี้จักแสดงประธรรมอธิษฐานาน า, าศาสนาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยกพระพุทธภาษิตเป็นอุเทศบทขึ้นมาเป็นบทตั้งขึ้นมาแล้วก็อธิบายขยายความไปตามหัวข้อตรงนั้นมันจะมีบทตั้งมีบทขยายแล้วก็มีบทสรุป เขาเรียกว่าแบบครูคือจะเทศอย่างนั้นเราก็ทำหน้าที่เหมือนกษัตริย์ทูตอัานราชสารอยาจาราชสารว่าอย่างไรก็คืออย่างนั้นสำคัญมาเราไม่แปลงสารก็แล้วกันเพราะพระสงฆ์นี่อยู่ประเภทนี้จะเยอะประเภทที่กายออกจากกามแล้วแต่ว่าจิตใจยังผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามนะ่ทีนี้ถ้าองค์ที่มีปัญหา ก็หมายความว่าแม้แต่กายเองท่านก็วุ่นวายไปเกี่ยวข้องดัดโยมสิกงศิการะะอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวินัยเลยกำหนดเอาไว้ยุคสมัยตอนนี้ค่อนข้างยากเวลาพระมาบวชเนี่ยามาก็จะพยายามหาทางที่จะพูดอะไรให้ท่านได้ฉุกคิดบ้าง น, นะครับราจะไปว่าก็ตรงๆไปเตือนก็ตรงๆมันก็ไม่ได้ แล้วก็บอกว่าทั้งคมทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไปผู้หญิงกับผู้ชายนมีความเป็นเพื่อนกันสูงแต่ว่าวิาวนัยเนี่ยมันไปนเปลี่ยนไม่ได้เพราะาในวินัยกําหนดเอาไว้ว่าภิกษุนั่งในที่รับตารับหูกับผู้หญิงสองต่อสองในปราปปะบัติถ้าไม่มีผู้ชายที่รู้ดีงสาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยคุยกับผู้หญิงเกินกว่าหกคาก็ไม่ได้นะะต้องอภบบาลนี่ก็แสดงให้เห็นว่า เพื่อป้องกันการเกี่ยวข้องโดยการดูโดยการฟังโดยการสนทนาโดยการใกล้ชิดเนี่ยมันโอกาสที่จิตจะแปรพันเนี่ยมันมีได้ไง่ายเราลองดูว่าบางครั้งเราดูแล้วมันหยุมหยิมเหลือเกินเช่นว่าผู้หญิงจะประเคนของนี่ต้องเอาผ้ามารับเอาสัมผัสได้ระหว่างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยกายกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยกาย คือกายกับสิ่งเยี่ยมเนื่องโดยกายก็ไม่ได้กายกับกายก็ไม่ได้เอาสิ่งเนื่องโดยกายกับสิ่งเนื่องโดยกายหมายความมาของที่เขาประเคนก็ไม่ใช่กายนะแต่มันเกี่ยวเนื่องโดยกายคือมือที่เขาจับไอผ้าที่เขาประเคนลงก็ไม่ใช่กายแต่มันเกี่ยวเนื่องโดยมือด้วยมือคือเกี่ยวข้องโดยกายก็ยังนึกว่าจะมาที่บายที่ลังกาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ตีความให้เคร่งไว้ก่อน เพื่อไม่เกิดปัญหาในด้านการใกล้ชิดและที่สำคัญอย่างยิ่งก็เพื่อจะดึงจิตออกมาจากกามด้วยแต่ถ้ามีการใกล้ชิดในการสนิทสนมมันก็กลายเป็นการสเสน่หาอะไรผูกพันเรื่อยายกันมันมันก็ยุ่งๆเหมือนกันนะปัญหาเหล่านี้จึงมีมาตลอดตั้งแต่ยุคสมัยของพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าถ้าอยู่ระดับนี้ก็ยังไปไม่ได้มันไม่ต้องไประดับโน้นนะฮะระดับศีลก็ยังแขวงนะศีลนี่ยังแกวง่งระดับสมาธิก็ไปไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงระดับศสัจธรรมตอนที่เกิดอุปมาขึ้นมาไม่มการตวจ ด, ดูพระองค์เองว่าพระองค์เองอะอยู่ในประเภทนี้หรือเปล่าโดยจะเห็นว่าค่อนข้างกำกึ่งนะฮะกำกึ่งคือพระไทยยังแกว่งอยู่ มันหม่ถึงจะตั้งมั่นได้จริงๆเอตัวเนี้ยบางในที่อื่นก็รับสั่งเล่าเช่นว่าจิตมันอยู่นิ่งไลยมันไม่ไปไม่ไปข้างหน้าไม่ต่อยหลังมันอยู่นิ่งไลยไปไม่ได้จะ ท, ทำยังไงอ่ะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ทรงวิเคราะห์ดูเอออันนี้มันโทษของกิเลสเนี่ยยังไม่ชัดคุณของธรรมะก็ยังไม่ชัดเห็นไหมมันเหมือนกับคนที่ ไม่เห็นโทษของบุหรี่ชัดไม่เห็นโทษของเหล้าชัดไม่เห็นโทษของการพนันชัดเนี่ยแกก็เลิกเลิ ก, เ ล, ก, เ, ลก เ, เ, เล่นเล่นอย่างนั้นเนี่ยเลิกเิกเสพเสพสูบสูบเล่นเล่นอย่างนั้นเองแต่วันใดวันหนึ่งที่แกชัดเจนเช่นสูบบุหรี่จนเกิดโรคถุงลมป่งพองแล้วก็ต้องเจาะรูหรือว่าต้องเจาะที่คอนะฮะแล้วก็มีหลอดใส่แล้วก็ต้องมีเครื่องช่วยในการพูดอะไรตอนนี้เลิกแน่ เต่เริ่มมันเกือบจะตายไม่ตายแล่อยู่แล้วเพราะในวุฒิภาวะปัญญาในการมองในการคิดตรวจสอบสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันต้องใช้ในรูปของการป้องกันกันละให้ได้มันไม่จะปล่อยให้เกิดแล้วปล่อยให้เกิดแล้วแก้ไขา ย, ยากไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพิธีการพระเจ้าจะใช้ในแนวของการป้องกัน ป้องกันก็คือหลายหลายวิธีนะฮะคือหนึ่งหลีกหนีให้ห่างไกลสองไม่เกี่ยวข้องไม่จะเจอก็ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องก็ไม่รับรับก็ไม่ยึดอะไรก็มีขั้นตอนต่นตางๆเอในที่ในที่แห่งหนึ่งนี่ยรับสั่งถึงว่าเดนสมมติเขาด่าเนี่ยเราไม่รับอา้าวมันก็รับไปแล้วอะ่ะรับไปแล้วก็รีดทิ้งใช่ทีนี้ถ้าทิ้งไม่ทันก็อย่าไปกอดเอาไว้ อะถ้ากดเอาไว้ก็อย่ากดไปนานนานอยู่หมายความมาต้องพยายามสลัดให้ลใหลุดได้ทีนี้ถ้าเก็บไปไว้อยู่ในใจก็อย่าไปนึกมันอย่าไปเนียวนึกจึกดึกขึ้นมาต้องศึกษาในกระบวนการของความคิดว่าคิดเรื่องอะไรคิดทําไมคิดไปแล้วได้ประโยชน์อะไรพอเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ก็บรรเทาความคิดเหล่านั้นเพราะแนวของพอถึงระดับวิตโตระดับความคิดในทรงสอนในรูปบรรเทานะฮะ เพราะว่าลากไปเกลยไม่ไหวหรอกเอาไม่อยู่กําลังมันสู้ไม่ได้มันต้องเพิ่มปริมาณของกุศ ล, ลธรรมขึ้นมาไปสลายเ้าเนี่ยสังเกตมานานแลยระดับของกุศลมิกในส่วนใหญ่จะสูงสอนระดับบรรเทาเพราะเลยเพราะว่าใจมันมันหยุดไม่อยู่มันไปเนียวนึกตึกนึกโดยอํานาจของความใคร่บ้างหรือำนำาความมียาบาทบ้างหรืออำนาของความเบียดเบียนบ้างเนี่เราก็ีนิ่งจะไปลากเ้าเนี่ยเขาก็ใหญ่โตนะฮะ เอาก็าไม่ได้ก็สู้ก็ไม่ได้ก็ลองบัดเทาลดความรุนแรงไปเรื่อยเพื่อจะดึงเหตุผลสติปัญญาให้เพิ่มขึ้นภายในจิตใจแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ค่อยวาด ก, กันอุปมาข้อนี้ก็ทําให้ทรงมองเห็นว่ายังหาทางออกไม่ได้มันมองโดยคุณมองโดยโทษคุณมีน้อยโทษมันมาก มันเราสังเกตว่าไม่ใช่ปฏิเสธทีเดียวนะครว่ากามไม่มีคุณเนี่ยที่จริงก็มีคุณเพราะนคำว่าคุณเนี่ยคําว่ากามาคุณเนี่ยแปลว่ากลุ่มก็ได้นะฮะแปลว่าคุณก็ได้แต่ความดีของกามก็ได้แต่ว่ามันดีน้อยมันทุกมากหรือสุขน้อยทุกมากที่ทรงแสดงว่าอปัสสาดาตุฆาการมาอิติปิญญาปันติตโบัณฑิตรู้ว่ากามนี้มี สุกน้อยแต่ก็มีทุกข์มากเันต้องสลัดให้หลงตรงนี้ใจ ย, ยังเหนี่ยวนึกนะฮะใจ ย, ยังเหนี่ยวนึกแล้วในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยส่งแสดงว่าสังกัดปลาโคบริษัทสกาโมการดำริด้วยอำนาจความใคร่เนี่ยเป็นการของ ค, ณคนณคราวนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นที่ตั้งของความใคร่สากล น, นี่ยที่บอกไว้ คือเราไปให้ความสำคัญแกบมันเราไปเหนียวนึกมันโดยอำนาจของความคล้ายความคลายมันเกิดขึ้นภายในใจเรานะฮะอย่างคล้ายๆกับเห็นอะไรก็ตามมาสมมติเราไปกันสามสี่คนไม่มีฮะที่จะชอบเหมือนกันเราแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สากลเช่นสมมติรถรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวกันเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยงกันเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆอย่างอื่นเหมือนกันหมดเอาไปเกี่ยงที่สี สีเหมือนกันหมดยังมีความรู้สึกว่าสีที่ตัวชอบคันในตัวชอบนะสีสวยกว่าก็มีคนก็เล่าว่าคนไปซื้อผ้าด้วยกันนะครับซื้อผ้าขาวผ้าขาวพับเดียวกันแล้วก็ตัดกันมาคนละสองเมตรหรือไนนะไรเนี่ยนะเดินคล้อยหลังมาแกบีมีความรู้สึกว่าพื้นของแกนะขาวกว่า นั้นเพราะอะไรเพราะว่าอุปาทานตัณหาอุปาทานแล้วมันไปนยึดมันเป็นพบขึ้นไปในจิตแล้วก็เป็นของตัวอของตัวก็ต้องดีกว่าโดยก็เอาผ้าขาวซึ่งอยู่พื้นเดียวกันเนี่ยของตัวเองก็ไปข่มคนอื่นนั่นก็คือธรรมชาติของจิตที่มันมีอายตนาภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานมันเป็นกระบวนการเป็นการทางจิตพระโอมาข้อที่สามนจึงเกิดขึ้นแก่พระองค์ว่า สมน้าพราหม์เราได้ไม่ใจชำน้าพราหม์เราได้เราหนึ่งที่กายก็ออกจากการรมแล้วทั้งจิตใจก็ไม่พัวพันหมกมุ่นในการสมน้าพราหม์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเพียรพยายามถูกทางก็สามารถบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางและวังไว้บนบก บุคคลต้องการไฟนำมาสีก็เกิดไฟขึ้นมาได้แต่ต้องสีเป็นนะนะเห็นไหมฮะมันต้องสีเป็นถึงว่าน้ํามันมันจะแห้งหมดทั้งสองอย่างนะ่ะแต่ถ้าสีไฟไม่เป็นมันก็เกิดไฟขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นความพยายามจะต้องเป็นความพยายามที่ชอบก็ทําให้เรานึกถึงพระพุทธภาสิตที่รับสั่งถึงบุคคลบางคนในโลกนี้ที่เรียกว่าศ า, ศาสตราทั้งหลายเนี่ยผู้าศาสตาคณาจารย์เจา้าหที่ทั้งหลาย คือบางคนเนี่ยรู้เห็นทำความเป็นจริงแต่ก็ไม่รู้ głos, ว่าตนตนเองรู้เห็นทำความเป็นจริงบางคนรู้เห็นทำความเป็นจริงก็รู้ว่าตนรู้เห็นทำความเป็นจริงบางคนไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ไปเข้าใจว่าตัวเองรู้เห็นทำความเป็นจริงหรือว่าบางคนนั้นไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าตนไม่รู้เห็นทำความเป็นจริง มันมีอยู่พวกหนึ่งนะฮะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ไม่รู้ว่าตัวเอง ร, รู้เห็นตามความเป็นจริงั้นก็ต้องพยายามต่อไปเพราะฉะในจุดตรงเนี้ยที่ชงแสดงเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางและวางไว้บนบกบุคคลที่ต้องการไฟนำเอาไม้แห้งอย่างเนี้ยมาสีมาสีโดยวิธีที่ถูกทางหน่อยนะฮะสีเป็นหน่อยก็จะเกิดไฟขึ้นมาได้ ทีนี้ก็มาตรวจสอบวิเคราะห์พระองค์ก็เห็นว่าพระองค์คอนมาทางนี้เยอะนะเพราะว่าไม่ได้ไปคิดถึงอะไรอะไรสเสน่หาอะไรในรั้วในวังอะไ ร, รก็ออกมาจ้างหกปีแล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ชัดเจนในทางในหนทางที่ไป เรยลืมนะว่าก่อนน้านั้นพระองค์ได้บรรลุถึงอรูปฌานข้อที่สี่แล้วคือหมายความได้สมบัติแปดมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะงั้นสติปัญญาก็มาย้อนกลับมาตรวจสอบดูตัวเองประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างยิง่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้ตรวจสอบคนอื่นจะให้มาตรวจสอบดูตัวเอง อย่างที่รับสั่งไว้ว่าอย่าสนใจถ้อยคําที่ประศะจากความละอายของบุคคลอื่นหรือสิ่งที่ทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําของคนอื่นอัตโนวาเอาเวคไคยะกะตานิกตานิจะให้พึงตวจตรูถึงตรวจต ร, ราถึงสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตนพ อ, อไรพะเรื่องของคนอื่นเนี่ยถึงเราจะไปตรวจจารย์อะไรเขาเราก็ไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ แต่ว่าคนเราจะเป็นอย่างนั้นเราลองสังเกตสภากาแฟเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะถ้าไปอัดเทปอัดเทปไว้ลองดูสภากาแฟก็คุยยังไงมันเกง่งฉลาดปราดเปรื่องได้เกินเนี่ยบางทีแต่ทีบสามล้อขับแท็กซี่นะฮะจะคุยในสั่งการกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงน้่นใหญ่โตมากเลยเพราะอะไรเพราะเราไปตรวจสอบเฉพาะคนอนืแล้วก็สั่งการโดยนึกว่ามันทําได้ง่ายๆ มันเหมือนกับคนดูมวยสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้สั่งอย่าง น, น้นถ้าแน่จริงก็ขึ้นไปต่อเองเลยเพราะต่อเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพ้นภาคสนามกับภาคนอกสนามเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าจากการสังเกตเนี่ยนักวิจชาการเนี่ยจะอ่อนภาคสนาม เวลาพูดอะไรเราก็นึกว่าเออเขาก็เก่งนะฮะแต่ลองสังเกตว่านักวิชาการจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จเวลาพาคสนามมันต้องพูดต้องอธิบายต้องชี้แจงอะไรเนี่ยระไว้แต่ถ้าลงทําเองแล้วก็ชักจะไม่ค่อยได้เรื่องเหมือนกันเพราะว่ามันเก่งเฉพาะทฤษฎีเท่านั้นเองเพนั่นแต่ อ, ออกความเห็นในเชิงที่เป็นทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยก็เก่ง แต่พอออกความเห็นในภาคสนามแล้วเนี่ยไม่เคยเก่งเพราะท่านเองก็ไม่เคยทำะนะก็ท่องหนังสือมาบางทีมันก็อคยานนะว่านึกว่าทําได้นะแต่วันจริงๆมันทําไม่ได้เพราะอุปสรรคขัดข้องต่างๆอีกเป็นนันมากเพราะนั้นตรงตรงนี้มันก็กลับมาวิเคราะห์ตัวเองพระเจ้าจะใช้วิเคราะห์ตัวเอง จงตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนฮะอย่างที่ท่านผูดหนึ่งเอาไปแต่งเป็นคํากลอนเอาไว้ตนตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนเตือนตนให้พ้นภัยถึงมันตัวงานข้ามพระเจ้าจะใช้ตาไหนนะฮะเราจะใช้ตานอกเนี่ยอะคือมองคนอื่นคนอื่นผิดเยอะมีเรื่องปีได้แต่นั้น มีการเล่าถึงการด่าคนเดินที่จริงไม่ใช่เล่านะฮะเป็นกรรมกลอมเด็กก็ เ, เรียกบทร้องเรือภาคใต้ก็เรียกว่าร้องเรือแล้วมาจำมาตั้งแต่เด็กแต่ยจําจไม่หมดมันถามคนแก่ไม่ค่อยจําได้เลยเนี่ยก็พยายามถามว่าไอ้ข้อความเต็มเนี่ยมันยังไงก็าด่าคนเดิน ด่าคนเดินก้มด่าคนเดินเงยด่าคนปากปิดเดินปากปิดดา่าด่าคนเดินปากเผยด่าคนคอตะแคงท้ายคอตะแคงขวาป็ด่าหมดเลยก็ยังนึกนึกว่าเดินยังไงยัยถูกดา่ามันไม่เนี่เพราะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกก็เลยเพรากคนมันมองไปที่คนอื่นแต่ลักษณะเขาทโทษของตนเห็นง่ายแต่โทษของบุคคลอื่นเห็นไอ้ไม่ใช่โทษของ บุคคลอื่นนได้ง่ายแต่โทษคนตัวนี้ได้ยากพิธีการแบบพุทธจึงสอนให้กลับมามองที่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็มองที่พระองค์เองมองที่พระองค์เองว่าเห็นว่าพระองค์ในข้อแนวทางนี้แต่มันมีปัญหาว่ายังเดินไม่ตลอดสายยังเดินไม่ตลอดสายดังนั้นก็มาพิจารณาทบทวนอย่างที่บอกไว้นะมันก็มากลับมาที่อานาปานสติคือการตั้งสติระ ล, ลึกรู้ดูลมหายใจเข้าออกที่ทรงบรรลุ พรมิชาลตอนเป็นพระราชกุมารเจ็ดพรรษาเนี่ยแต่ในสุดก็ น, นึกมาเชื่อมต่อกับกระชาลที่ได้ในี่ยสนักลาดาบุตรกาลามาโคตอุตกระดาบตรรามบุตรแต่เอาครบไม่ได้อะมันไปไม่ได้มันไม่เห็นอะไรเลยนะยิ่งไปข้างปลายเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่เห็นอะไรเนี่ยมันก็ข้องติดข้องติดแต่โอกาสจะสงสัยมันก็มีง่ายโอกาสจะข้องติดมันก็มีง่าย เพราะในที่สุดมันก็ทรงคิดที่จะไปทางนั้นแต่ก็หมายความว่าเอาประสบการณ์ในดีตต่างๆนี่มาร้อยเรียงมาตัดตอนนะฮะตัดตอนปรับปรุงเพิ่มเติมก็เรียกว่าเอามาปฏิรูปเป็นทฤษฎีทางวิชาการเพื่อจะนำไปสู่ภาคสนามที่จะปฏิบัติโดยทรงมั่นพระทัยนะว่ามันควรจะไปได้ แต่ว่าเมื่อมองดูพระองค์เองในขณะนั้นก็ไม่ไหวเลยร่างกายเนี่ยไม่ให้เลยสุขภาพระลานามัยสุดโทรมพระอาทิปรากฏทัวโรรกายพระโรมาก็มีรากเน่าหลุดร่วงบนหลงไปคนก็ทักว่าปัจมุบันโคดมดำไปบ้างคล้ำไปบ้างนะปิพันธุ์เศร้าหมองขุดมัวไม่ผ่องใสเหมือนเดิมเพราะว่าไปบำเพ็ญทุกรกริยาสะอาดสากันเนี่ยที่บอกไว้ ผลประการแรกที่จะต้องแก้ไขก็คือว่ามันต้องแก้ไขให้ร่างกายมีกำลังเดียวแรงเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งทุกฝั่งทงั้งหล า, ายในรมปพัญญาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทัวกันสวัสดี